มงกุฎไพรเล่มสามตอนที่สองราตรีนี้เป็นราตรีที่อบอุ่นและยิ่งใหญ่สำหรับชาวคณะเดินทางมหาวิบากทุกคนทั้งสองคณะงานพระราชทานเลี้ยงต้อนรับได้ถูกจัดขึ้นที่ศาลาปาริชาติกลางอุทยานหลวงซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเกียรติสูงสุดเท่าที่ฝ่ายราชทานมรกรจะดำเนินการจัดสรรขึ้นได้ทั้งสองคณะที่แยกกันกลับไปยังที่พักก่อน ทันทีที่มาถึงได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่ที่นี่โดยพร้อมเพรียงและเป็นครั้งแรกที่ทุกคนทั้งสองฝ่ายม่ได้มีอาวุธใดๆติดตัวติดมืออยู่เลยนอกจากชุดเสื้อผ้าที่คงมีอยู่กันอันเลือกแล้วว่าใหม่และสะอาดที่สุดโดยขอปฏิเสธชุดเครื่องแต่งกายแบบชาวมารากตนครซึ่งชาวพนักงานได้จัดสรรมาให้โดยขอผลัด ผอนไปก่อนให้เหตุผลว่าต้องการจะให้แยกตัวเองเด่นชัดออกไปในสายตาของบรรดาข้าราชบริพารเหล่ามุขมนตรีชั้นสูงทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมว่าพวกตนนั้นภายในราตรีนี้เป็นอคันตุกะมาจากต่างแดนประทีศชาวาลาจุดสว่างสวายเรืองรองไปทุกสุมถุมพุ่มพลึกและบนบริเวณของศาลาปาริชาติ สัพระอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศตั้งประทับเต็มอยู่บนแท่นหินแยกออกไปหลายแท่นผลไม้ป่าปนไปกับปวงบุพพชาติที่ประดับแซมสวัยอยู่และผินเครื่องใหญ่บนศาลานั้นก็ถูกบรรเลงขับกล่อมโดยนางนักผินผู้เลอโฉมทุกคนได้มารอคอยพร้อมกันอยู่แล้วเมื่อเวลาตะวันตกดินครั้นเมื่อราตรีมืดสนิทลงสมเด็จพระเจ้าจั ก, กราธิราช พร้อมพระราชินีกับคุนพลอรชุนและทหารรักษาพระองค์ระดับผู้บัญชาการกองพลซึ่งอันที่จริงก็คือมิสหายเก่าของคณะเชษฐาก็ได้เสด็จประทับวอทองมาถึงไม่มีงานเลี้ยงรับรองที่ไหนทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายเชษฐาจะพบว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วในชีวิตและคงจะไม่ได้มีโอกาสพบเห็นอีกต่อไปภายหลังเมื่อพระจากที่นี่ไปแล้ว จักราศเสด็จดำเนินผ่านซุ้มประดับเคียงคู่มากับพระราชนินีด้วยพระพักอันยิ้มแย้มแจม่มใสผ่านเหล่ามุขคมนตรีระดับสูงที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานราชพิธีอุทยานสมูทร น, นั้นซึ่งแต่ละคนก็เข้าแถวยอบกายลงถวายคำนับผ่านมาเป็นลำดับจนถึงแถวของเชษฐาและสแตนลี่ซึ่งรอรับเสด็จกันอยู่คนละฝักทันทีที่ดำเนินย้ำเยือนเข้ามาถึง ก็ทรงจับต้นแขนของบุคคลอันเป็นหัวหน้าคณะทั้งสองไว้พระหัตละข้างรับสั่งปนสวนว่าเราจะดื่มและรับประทานตลอดจนสังสรรค์นสนทนากันให้สนุกในคืนนี้แต่จะไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิน้นคิดสือว่าผมคือเพื่อนของพวกท่านก็แล้วกันเท่ากับเป็นเจ้าภาพด้วยมีอะไรขาดตกบกพร่องก็บอกกันได้เลยอ้อทรงเวเ้นระยะไปนิดหนึ่งเอียงพระพัก เราจะเลี้ยงกันแบบบุฟเฟ่ต์นะจะได้ไม่ต้องจำเพาะเจาะจงว่าใครจะนั่งตรงไหนมิฉะนั้นจะคุยกันจำกัดเราเดินดื่มเดินรับประทานแล้วก็คุยกันไปคงพลางคงจะสนุกกว่าและจะได้เปิดโอกาสให้ทุกคนพบปะคุยกันได้อย่างทั่วถึงดีไหมสแตนลีหัวเราะในขณะที่เชิดฐายิ้มพระองค์สมารถเหลือเกินราวกับเจ้าชายหรือกษัตริย์ของยุโรป แม้ว่าฉลองพระองค์จะย้อนกลับไปสู่สมัยกรีกหรือโรมันจักราสวนพระสุรเสียงดังกังวานขึ้นอย่างขันขันผมจําเป็นจะต้องแต่งกายตามประเพณีของแผ่นดินผมด็อกเตอร์แต่คืนนี้เราจะพูดกันอย่างคนเจริญแล้วได้ได้จัดส่งเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าไปให้ทุกคนแต่ก็ได้รับการบอกเล่า ว, ว่าทุกคนอยากจะแต่งกายกันอย่างเดิมก่อนอ้อ พระราชนีของผมเธอดูเป็นยังไงบ้างรับสั่งพรางผายพระหัตมาทางราชนีเมยานีผู้ประทับยืนเยื้องไปทางเบื้องหลังเล็กน้อยถ้าแม้ว่าพระนางคลีโอพัตตรากลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้และได้เสด็จมาอยู่ณสถานที่นี้ด้วยพระนางก็คงจะรีบโจรกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ในทันทีเพราะละอายโฉม และความสง่างามของนางพญาแห่งมรกรนครในคีตพูดขึ้นเป็นครั้งแรกขอบคุณพันเอกลารีคีตที่สเสริญเยินยอเราเมยานีตรัดขึ้นปนสวนเบาๆและทุกคนในที่นั้นยิ้มบรรยากาศเต็มไปด้วยความแช่มชื่นสดใส ย, ยิ่งแล้วนี่ผู้กองรับผินของผมอยู่ที่ไหนนะหวังว่าคงไม่อ้างว่าป่วยและไมมาร่วมงานในคืนนี้ กษัตริย์หนุ่มรับสั่งถามขึ้นขณะที่กวาดเนรดูทั้งสองแถวที่ยืนเรียงรายอยู่นั้นโดยยังทอดพระเนรไม่เห็นพรานใหญ่โน่นแนเพคะเขาไปยืนอยู่ท้ายแถวรวมกับพวกลูกหาบของพวกเราอยู่โน่นดารินทูลขึ้นพร้อมกับชี้มือจักรราจุพระโอษฐ์เบาๆครงพระเศียรเขาควรจะยืนเคียงข้างคู่ชีวิตหรือมองกุฎไพรของเขา ผู้กองแล้วก็เป็นอย่างนี้เสมอทรงพึมพำบ่นเบาๆแต่ริมโอดยังกราดละไยไปด้วยรอยยิ้มแล้วเสด็จออกเดินต่อโดยโบกพระหัตถ์ให้บุคคลเหล่านั้นที่ทรงทักทายก่อนแล้วเดินร่วมกันไปเป็นหมู่ด้วยเมื่อผ่านเบลและคริสตีนาซึ่งขณะนี้แต่งกายในชุดเดินป่าที่ใหม่เอียมและกระฉับกระเฉงสง่างามที่สุดอันเป็นชุดอย่างเดียวกันกับการแรกเริ่มออกเดินทางจากหนองน้าแห้ง ซึ่งทั้งสองย่อกายอ่อนช้อยลงพระองค์ก็พรายยิ้มตรัดชมว่าสวยสง่าน่ารักทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นอิซาเบลหรือคริสตินารับสั่งเอ่ยนามเต็มของสองสาวอเมริกันออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำและก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงจะมีความสามารถในการบุก ป, ป่าฝ่าดงได้เก่งกาจถึงขนาดนี้พระองค์ก็ทรงเห็นด้วยชานแล้วไม่ใช่หรือเพคะ ว่าหมอมชันกับคริสเกือบตายกันไปแล้วคนละหลายหนถ้าไม่ได้พระสหายรักของพระองค์ช่วยไว้จริงสินะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยอย่าว่าแต่พวกคุณเลยไม่แต่คนหนึ่งมีนามว่าแงซายก็ยังเกือบตายอยู่หลายครั้งถ้าไม่ได้พรานที่ชื่อระพินช่วยเอาไว้ในป่าแล้วเขาเป็นเจ้าแห่งป่าอย่างแท้จริงคงจะไม่มีใครรอก ที่จะไม่เคยตกเป็นหนี้บุญคุณในทางด้านใดก็ด้านหนึ่งจากเขาผู้นั้นพระพินไพยวันคือที่พึ่งที่หวังของทุกคนถ้าอยู่ท่ามกลางอาณาจาักรป่าดงพงไพรแต่ตัวเขาเองกลับดำรงชีพอยู่ด้วยความผิดหวังมาตลอดหม่อมฉันขอทักท้วงในพระดำรัสข้อนี้เพคะคริสแซ่ขึ้นโดยเร็วยามขัดจังหวะจักรราศก้มเสียลงนิดหนึ่ง เนตเป็นประกายขณะที่เอื้อมหัดมาแตะที่แขนของแม่แม่แหม่มผมทองแผ่วเบาอย่างสุภาพนิ่มนวลผมเข้าใจในสิ่งที่คุณท้วงผมยังพูดไม่จบประโยคคือกำลังจะพูดว่าเขาผิดหวังมาตลอดแต่เพิ่งจะได้มารับความสุขสมหวังอย่างแท้จริงในการหวนกลับมายัางมรกรนครแห่งนี้อีกครั้งเท่านั้นหม่อมชั้นก็แน่ใจเช่นนั้นเพคะ แต่พระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งกับพวกเราทั้งหมดณที่นี้เดี๋ยวนี้ภายในคืนนี้ผิดแปลกไปมากก็บอกแล้วไงว่าสำหรับหนาที่นี้คืนนี้ขอให้ถือเสียว่าผมคือเพื่อนของพวกคุณทุกคนเราไม่มีพิธีรีตองอะไรกันทั้งสิน้นพวกคุณจะเรียกผมว่าแงาซายหรือจะเรียกว่าจั ก, กรราศก็ได้และไม่ต้องใช้ราชาศัพท์กับผมพวกเราคงมีบังอาจ หรืออาจเอื้อมถึงขนาดนั้นหรอกเพคะโดยเฉพาะท่ามกลางหมู่ข้าราชบริพารที่ร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยดารินเสริมขึ้นจักรราชหันไปน้อมเสียนให้ดารินนิดหนึ่งก็สุดแล้วแต่พี่สาวและทุกคนจะเห็นสมควรแงาซายไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นเอาว่าตามสะดวกสบายก็แล้วกันขอโปรดทราบว่าคืนนี้เป็นคืนที่ผมมีความสุขที่สุดและหวังที่จะมีคืนอย่างนี้มานานแล้ว จนถึงกับต้องไปบำเพ็ญทุกกิริยาเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเพื่อชักนำพวกท่านทุกคนให้มาพบกันที่นี่ให้จงได้พรางก็ส่งแลไปทางชัยยันผู้เดินเยื้งไปทางเบื้องหลังเล็กน้อยตรัสต่อมาว่านายทหารชั ย, ยันครับผมคิดว่าบุตรชายของท่านที่เพิ่งเกิดและเห็นหน้ากันเพียงแค่ไม่กี่วันคงจะมีสุขภาพพารานามัยที่สมบูรณ์ดี สมบูรณ์ดีมากพระเจ้าค่ะเขามีนามตามที่ท่านได้เจตนาจะตั้งชื่อไว้ก่อนหรือเปล่าคือถ้าเกิดมาเป็นชายก็น่าจะชื่อเหมือนสกุลของพรานใหญ่ผู้นั้นแน่นอนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ตั้งนามลูกแล้วคือไพรวันและหวังไว้ว่าต่อไปคงจะเป็นนักร้องลูกทุง่งที่ชื่อดังกล้องไปทั่วเมืองไทยจะกราส่เบาๆเหลวไหล ต่อไปเขาจะเป็นนักบินอวากาศไทยที่บังคับยานอวากาศไปสำรวจดวงดาวทั่วจั ก, กรวาลต่างหากและอาจจะได้มาเยี่ยมอาแงาสายของเขาที่นี่ก็ได้เมื่อเสด็จผ่านมาถึงกลุ่มของพวกลูกหาบทั้งหลายก็ทรงประกาศว่าขอให้พี่น้องสหายพรานของข้าทุกคนดื่มกินกันให้เต็มที่ภายในคืนนี้ไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้นดื่มกินกันให้สนุกสนาน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 พวกนั้นมองพวกบุญคำจากพระหัวจรดพระตีนเลยถ้าใครก็ทำอย่างนั้นลุงคำก็พระตีนถวายที่พระก้นของมุขมนตรีมหาอมาัมมัดหรือคณะรัฐมนตรีของฉันทุกคนได้เลยอนุญาตให้ตามสบายขออย่างเดียวลุงอย่าถึงกับแก้ผ้าออกไปเต้นระบำราฟ้อนกับนางระบำที่เขาจัดจัดออกมาให้ดูเท่านั้นทุกคนไม่แต่พวกเชษฐาและสแตนลีย์ฮาคริน รพรินผู้ยืนอยู่ข้างตาคําเป็นคนซ้ายสุดเอานิ้วดีดหูแก่โดยแรงจนต้องแยกเขี้ยวร้องโอ๊บแล้วล่างตัวแกให้พ้นพระภาพออกมาซึ่งก็พอดีที่จั ก, กรราชแลไปพบตาคู่ทุกคู่ยากเข้ามองหาตั้งนานที่แท้ยืนอยู่ตรงนี้เองผู้กองที่ไม่น่ารักของผมทุกคนเขาแต่งชุดใหม่เอี่ยมอ่องกันหมดผู้กองยังคงแต่งกระร่วงกระริ่งเหม็นสาบอยู่ตามเคย ข้าพระองค์เหลือชุดนี้อยู่ชุดเดียวที่นับวระดีที่สุดน่าสงสารเสียจริงๆพรานใหญ่ของเราก็อย่างนี้นี่นาะจะไม่ให้นายหญิงทิ้งไปได้ยังไงแต่ถึงจะหนีไปชั่วขณะก็ยังอุตส่าห์มาตามกลับจนได้เขาถึงว่าคู่แล้วไม่แคล้วกันนะผู้กองนะถ้าไม่คิดว่าทรงชุดกษัตริย์อยู่ในขณะนี้แล้วก็ฉันเตะแกจริงๆด้วยภาวะ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 สิริลักษณ์สูงตระงานของราชนีเมยานีก็ดำเนินแย้มเยืนตรงเข้ามาโดยบัญชาจากนายหญิงขอให้พี่เข้าไปร่วมกลุ่มกับพวกเราด้วยค่ะฝากบอกเมยานีมาด้วยว่าถ้ายังยืนนิ่งอยู่ที่นี่คนเดียวเธอจะมาตามลากตัวเข้าไปและอาจจะขายหน้าคนอื่นๆด้วยเพราะเธอจะมาดึงที่ใบหูของพี่ค่ะเมยานีได้รับคําสั่งอย่างไรก็เอามาบอกทั้งประโยคอย่างนี้แหละ จอมพรานสดุง้งตื่นจากพวางเฟืนยิมออกมาเมยานีจ้องหน้าแล้วสวนน้อยน้อยรับสั่งต่อมาว่าพี่มีความทุกข์อะไรอยู่อีกหรอเปล่าเปล่าเปล่าข้าพระองค์มีแต่ความสุขหาได้มีความทุกข์ใดๆเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ตื่นตะลึงต่อสถานที่และภาวะแวดล้อมของงานเลี้ยงรับรองภายในคืนนี้เท่านั้นและไม่คิดว่ามหาราชนีจะเสด็จมารับสั่งตื่นข้าพระองค์เองอย่างนี้ เมื่ออยู่กันตามลำพังสองต่อสองและโดยที่คนอื่นไม่ได้ยินได้ฟังอยู่ด้วยอย่าพูดกับเมยานีอย่างนี้สิคะขณะที่องค์จักรราชกํำลังรับสั่งอยู่กับกลุ่มของอเมริกันเกี่ยวกับเครื่องอากาศยานที่มาตกในดินแดนนี้นายหญิงต้องการให้พี่เข้าไปร่วมฟังอยู่ด้วยเมยานีเบี่ยงพระวรากายเหมือนจะหลีกทางให้ในขณะที่รพินก้มศรีรษะให้นิดหนึ่งพร้อมกับก้าวตรงเข้าไปยังกลุ่มทั้งหมดที่กาลัง ยืนสังสรรค์กันอยู่โดยมีสรุริลักษ์อันสูงใหญ่ของจักรราษประทับอยู่กลางวงขณะที่เขาย่างก้าวเข้ามาถึงจักรราษกํากำลังส่งจอกทองคำบรรจุน้ำเมรายชนิดเบาบางและมีรสชาติอันหวานหอมละลื่นไปกระทบกับฝ่ายอเมริกันและฝ่ายของเชษฐาทุกคน ซึ่งเมื่อเห็นเขาก้าเข้ามาถึงก็ชูจอกทองคำนั้นขึ้นให้เขานิดหนึ่งรับสั่งประกาศขึ้นด้วยพระสุรเสียงกังวานไพเราะว่าสำหรับจอมพลานผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนขอให้เราดื่มให้แก่เขาฝ่ายอเมริกันทุกคนชูจอกขึ้นเหนือศีรษะร้องออกมาพร้อมๆกันว่า for our great man bravo ส่วนฝ่ายของเชิาก็ชูจอขึ้นเหนือศีรษะเช่นกันตะโกนประสานกันว่า สำหรับพรานใหญ่รพินของเราชายโยแล้วทั้งจักรราและทุกคนก็ยกจอกในมือขึ้นจิบกษัตริย์หนุ่มก็ยิ้มกับเขารับสั่งว่าทุกคนแสดงความยินดีในทุกเรื่องให้แก่ผู้กองครับจอมพรานถอนใจลึกก้มศรีรษะลงคำนับให้แก่ทั้งหมดที่ยืนชุมนุมกันอยู่ตรงหน้าเขาทรงยิ้มแย้มและเสียงทักทายแซดเข้ามาขณะนั้นเองพนักงานผู้หนึ่งก็ประคอง ถือถาดจอกน้ำเมรัยเข้ามาเขาได้หยิบขึ้นมาถ้วยหนึ่งแล้วชูขึ้นช้าๆในานามของรพินไพรวันขอให้พวกเราทุกคนทุกฝ่ายจงฟังเสียงของเขาแช่มช้าและได้ยินดังไปทั่วทั้งพวกลูกหาบพรานพื้นเมืองและเหล่าอมย์มนตรีทั้งหลายที่ชุมนุมคราคร่ำอยู่รอบๆ บ, บริเวณซึ่งหันมาเป็นตาเดียวขอให้พวกเราทุกคน จงมาพร้อมใจกันดื่มถวายพระพรชัยให้แก่สมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมราชนีเมยานีตลอดจนชาวมรดกนครทั้งหลายที่ทรงดลบรนดานให้การเดินทางมาของพวกเราในครั้งนี้สาเร็จผลลงทุกประการขอให้สมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชและมหาราชนีเมยานีจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานชัยโย เสียงโหร้องกระหึ่มขึ้นทั่วศาลาปาริชาติและอุทยานแห่งนั้นไม่เพียงแต่พวกเจ้าหนายทั้งสองฝ่ายเท่านั้นแม้แต่พวกพรานพื้นเมืองพวกลูกหาบและเหล่าเสวากามาต์อันร่วมอยู่ในงานเลี้ยงฉลองรับรองนั้นชูถ้วยขึ้นโหร้องแซ่สนันไปทั่วกระหึ่มกล้องรเพินไพรวันดื่มจนหมดถ้วยนั้นและจากใจจริงของเขา กษัตริย์โฉมงามแห่งมรกรนครยกพระหัตถ์ในระดับพระเสียรชูให้กับเขาพร้อมกับยิ้มพายแล้วฝ่าพระหัตถ์ข้างนั้นเบนเฉียงลักษณะเหมือนจะทำวันทยาหัดให้จากนั้นก็พยักพระพักให้พรานใหญ่เดินเข้ามาใกล้ขอบคุณผู้กองมากครับเรากำลังร่วมปรึกษาหารือกันอยู่เกี่ยวกับเครื่อง b ี2และระเบะิดสิบเมกะตันลูกนั้นที่อับปางอยู่ในดินแดนนี้ และอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของดรสแตนลีย์และฝ่ายของคุณชายเชษฐาได้ร่วมเข้ามาเป็นคณะเดียวกันในการหารือครั้งนี้การที่เครื่องมาตกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายคงจะได้ทราบคร่าวๆก่อนแล้วจากท่านอรชุนและราชนีเมยานีคือพรุ่งนี้จะเป็นเวลาไหนก็ได้ขอให้ทุกคนได้พักผ่อนนอนหลับกันให้สบายเต็มอิ่มและผมจะพาท่านทั้งสองคณะ ไปดูยังตำแหน่งอับปางของเครื่องนั้นมันไม่ได้อยู่ห่างไกลที่นี่นักแท้ที่จริงก็ตกอยู่ยังบริเวณที่ราบโล่งหลังขุนเขาอันเป็นมหาสุสานที่ผมได้เข้าไปนั่งบาเพ็ญศีลอยู่นั่นเองทรงรู้อะไรหมดทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องและระเบิดที่บรรทุกอยู่ทรงรู้แม้กระทั่งแบบของเครื่องบินและปริมาณของระเบิดคิดร้องบอกระเพินออกมาอย่างตื่นเต้นขีดสุด และพวกเราก็ไม่ได้ห่วงหรือวิตกอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านี้เลยห่วงอยู่เรื่องเดียวคือกรรมันตภาพรังสีของนิวเคลียสิบเมกะตันลูกนั้นสแตนลี่บอกเร็วปรือมาอีกคนแสดงว่าก่อนหน้าที่รพินจะก้าวเข้ามานั้นทั้งคณะได้มีการปรึกษาหาหรืออะไรกันอยู่ก่อนแล้วแล้วทรงรับสั่งว่าอย่างไรล่ะพรานใหญ่ถามหน้าตาเฉยซึ่งในระหว่างนี้ ฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดเพียงแต่คอยเงี่ยหูสดับตรับฟังเท่านั้นปล่อยหน้าที่การพูดจาสนทนาให้เป็นของพวกอเมริกันกับกษัตริย์จักรราตามลำพังก่อนเท่านั้นระหว่างที่หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์และพันเอกคริดนิ่งอึ้งอยู่คริตก็บอกขึ้นด้วยหางเสียงกังวลว่าพระองค์ทรงรับสั่งเหมือนเหมือนกับที่ครูได้เคยบอกกับพวกเราไว้ก่อนแล้ว นั่นก็คือกรมัตาภาพรังสีที่เราเกรงว่าจะเล็ดลอดรั่วไหลออกมาได้นั้นจะไม่มีวันรั่วไหลออกมาได้อย่างเด็ดขาดและจะไม่เป็นอันตรายใดๆแก่มรรกตนครเลยแปลว่ามันจะกลายเป็นเพียงวัตถุธรรมดาชิ้นหนึ่งไปเท่านั้นเราอยากจะเชื่อพระองค์ในเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เรื่องนี้สำคัญมากนะคะครูการจะกู้กลับคืนไปได้หรือไม่พวกเราไม่ห่วงหรอก แต่เราห่วงในเรื่องนี้เท่านั้นก็แปลว่าผู้กองระพินเข้ารู้เท่าเๆกับที่ผมรู้เรามักจะรู้อะไรเหมือนๆกันเสมอเพียงแต่ว่าใครจะรู้ก่อนหรือรู้หลังหรือรู้ว่าอีกฝ่ายรู้แล้วแกล้งทําเป็นไม่รู้เท่านั้นอดีตแง่ทา ย, ายพูดมาเบาๆพลางขยิบตาให้ระพินนิดหนึ่งเหมือนจะล้อๆแล้วพวกคุณคิดยังไงพรานใหญ่ถามเราคิดอะไรกันไม่ออกทั้งสิ้นในขณะนี้ สเตลลี่ว่ายกหลังมือขึ้นขยี้ปลายจมูกหัวเราะออกมากรดก่อยเอางี้ผมตัดสินใจให้เองรับผินว่าพรุ่งนี้รับสั่งอนุญาตไว้แล้วที่จะให้พวกคุณหรือพวกเราทั้งหมดไปตรวจดูยังทราบเครื่องตกเครื่องนั้นพวกคุณเอาเรดิเอชันเซอร์เวมิเตอร์หรือเครื่องมืออะไรก็ตามที่ตระเตรียมกันเข้าออไป ตรวจหากรรมตภาพรังสีด้วยว่าจะมีการรั่วไหลออกมาบ้างหรือไม่แล้วหลังจากนั้นค่อยปรึกษากันอีกทีว่าจะทำอย่างไรฝ่ายอเมริกันทุกคนมองหน้ากันไปมาในที่สุดสแตนลีย์อันเป็นหัวหน้าคณะก็บอกมาต่ำๆว่า ก็คงไม่มีอะไรจะทำได้ก่อนอื่นมากไปกว่าสิ่งที่คุณบอกแล้วนั่นแหละรพินแต่ผมมีข้อแนะนำว่าเมื่อเราเดินทางเข้าไปถึงที่นั่นขอให้มีเฉพาะพวกผมเท่านั้นที่เสี่ยงเข้าไปตรวจดูภายในซากเครื่องเพราะฝ่ายเรามีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วพวกคุณทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องโปรดสังเกตการอยู่ภายนอกห่างๆในรัศมีประมาณหนึ่งไมล์ก็ได้ถ้าคุณต้องการเช่นนั้นรพินบอก ขณะนั้นดารินก็เอ่ยถามพร่งขึ้นว่าจะไม่มีใครทูลถามจักรราชบ้างเลยหรือว่าพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กษัตริย์โฉมงามแห่งมรกรนครสวนเบาๆผมไม่มีข้อวินิจฉัยหรือชี้แน่อะไรหรอกครับพี่สาวเจ้าของทรัพย์สินเขาย่อมมีสิทธิในการที่จะดำเนินการทุกอย่างที่เขาเห็นสมควรได้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 โดยสาเหตุที่มันได้มาตกอับปางอยู่ที่นี้จึงช่วยชักนำให้ผมกับผู้กองรพินและคณะเจ้านายเก่าของผมได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นก็แปลว่าพระองค์ทรงยินยอมทุกประการที่จะให้เราจัดการกับซากเครื่องและระเบิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเบลถามโดยเร็วจักรราชผายพระหัต์ออกตามสบายทุกอย่างเวลแม้ว่า ถ้าเราจะเรียกกำลังทางอากาศเพื่อขนบรรทุกซากและระเบิดกลับไปถ้าพวกคุณสามารถทำได้ผมก็ไม่ขัดข้องรับสั่งมาด้วยริมโอดที่มีรอยยิ้มหยันน้อยๆแต่หนักไปในทางสมเพศเวทนามากกว่าจะชิงชังทุกคนอึ้งไปอีกและคบคิดหนักเมื่อนั้นอนุชาจึงกล่าวขึ้นเป็นการรวมๆ ว, ว่าเรื่องนี้เราละเอาไว้พรุ่งนี้ดีไหม อย่าให้มันเคร่งเครียดอะไรภายในคืนนี้ก่อนเลยสำหรับคืนนี้เรามาคุยกันให้สนุกตามพระราชประสงค์ขององค์จักรราชก่อนดีกว่าเบลคุณมาคุยกับผมทั้งนี้ก่อนดีไหมท่าทางคุณคุยสนุกมากนะและผมก็อยากจะคุยกับคุณมานานแล้วกล่าวพลางอดีตพรานชดประชากรก็เอื้อมมือมาจับข้อมือของอิซาเบลผู้ช่างพูดอย่างสนิทสนม และนำเดินจูงไปทางด้านหนึ่งซึ่งหล่อนก็หัวเราะระรื่นเยืองกลายตามไปโดยดีระหว่างทางผ่านพบในคิดยืนหน้าแดงก่ำเพราะริตเล่าอยู่อีกมือหนึ่งของอนุชาจึงคว้า จ, จูงเอาคิดไปด้วยเชิญชวนไปสังสรรค์กันโดยเฉพาะก่อนเชษฐาสแตนลีย์และชัยยันคงยืนรวมกลุ่มสนทนาอยู่กับกษัตริย์จักราธิราชดารินนั้นหัวเราะเริงรา่า จับคู่อยู่กับราชินีเมยานีและพวกพรานทั้งหลายกับสางปาขยินและหนานอินร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยบรรยากาศของสถานที่นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นสุขสันต์และหอมหวานไปด้วยมิตรภาพไมตรีจิตของทุกฝ่ายคริสขณะนี้ผู้กำลังยืนถือถ้วยล่อพื้นเมืองของมรกตนครยืนผิงซุ้มไม้ดอกที่เลื้อยพันเสาหินอ่อน สายตาเหม่อมองดูนางนักพินที่กำลังกรีดนิ้วสาวสายพินให้บเกิดเสียงอันอ่อนหวานไพเราะอยู่ตามลำพังคนเดียวด้วยอาการอันสงบและดูเหมือนแม้จะร่วมอยู่ในงานเลี้ยงใหญ่แต่ก็ปรารถนาที่จะเลือกเอามุมสงบที่สุดอย่างเดียวได้พระพินกำลังใช้มีดตัดเนื้อนกยูงอบที่วางอยู่บนถาดขณะนั้นเองก็รู้สึกว่ามีใครมากระทบเบาๆพ่อเหลือบ ก็เห็นเชิดวุดททำเป็นเดินเจีดใกล้เข้ามาพร้อมกับกระซิบบอกเบาที่สุดว่าพี่ครับคริสหลบไปยืนอยู่ที่นั่นคนเดียวท่าทางเศร้าๆซึมๆอย่างไรบอกไม่ถูกคุณวุดควรจะเข้าไปพูดคุยอะไรกับเธอนะเขากระซิปตอบโดยไม่มองหน้าคงเชิดเนื้อนกยุงอยู่เช่นนั้นผมคิดว่าพี่ควรจะเข้าไปคุยอะไรกับเธอบ้างก่อนแล้วอีกสักครู่ผมจะตามเข้าไป คริสเป็นคนที่เข้มแข็งมากแต่เอาเถอะน้องชายผมจะทำตามที่คุณขอร้องพรานใหญ่บอกโดยที่ทั้งสองพูดกันชนิดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ในลักษณะเพียงแค่ไปยืนตักอาหารอยู่ใกล้ๆกันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรสนใจต่ อ, อกันเลยรพินหั่นเนื้อเสร็จก็เขี่ยลงถาดแล้วเดินถือก้าวตรงเข้าไปยังแม่มอเมริกันเลือดผสมตุรกี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 ลืมตัวอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งระพิน์เข้ามาหยุดยืนอยู่ด้านหลังคริสเขาแตะไหลและออกเสียงเรียกเบาๆแม่ผมทองสะดุ้งน้อยๆหันขวับมีอาการตกใจและประหลาดใจเล็กน้อยแล้วฝืนยิ้มให้ทักเรียบๆว่าให้คุณน่าจะมีความสุขที่สุดสำหรับคืนนี้เพราะฝ่ายคุณค้นพบเครื่องตกแล้วพรุนี้คงจะได้เข้าไปสารวจหล่อนจ้องลึกประสานเขานิ่ง เข้าไปในขณะหนึ่งคงพยายามยิ้มอยู่เช่นนั้นแล้วยักไหล่นิดหนึ่งครูไม่ทราบหรือทําเป็นไม่ทราบคะว่าฉันเลิกสนใจเครื่องลํานั้นไปตั้งแต่เดินทางมายังไม่ถึงเนินพระจันทร์เสียด้วยซ้ําไปแปลว่าจะไม่เข้าไปตรวจดูอะไรมันอีกเลยทั้งๆ ท, ที่พบแล้วก็อาจต้องทําตามหน้าที่และในที่สุดมันก็คงจะต้องถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ในลักษณะนั้นชั่วนิรันดรโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลย เราคงทำได้เพียงแค่มาเห็นเท่านั้นและที่มีวาสนาได้มาเห็นก็โดยความสามารถของครูนั่นแหละคุณหญิงดารินอยู่ที่ไหนคะเธอสนทนาอยู่กับราชินีเมญานีตรงโน้นผมตักอาหารมาให้คุณสังเกตดูคุณไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยนอกจากเล่าขอบคุณฉันไม่รู้สึกหิวเลยปวดรองท้องเสียหน่อยและนี่เป็นคำสั่งของครูถ้าอย่างคิดว่าผมคือครูของคุณ กล่าวพลางเขาก็ยื่นจานนั้นให้ไปให้อีกคริสถอนใจเบาๆจิบเหล้าในถ้วยแล้วรับจานอาหารมาอย่างเสียไม่ได้รับิพนกดไหลหล่อนเบาๆให้สุดตัวลงนั่งบนม้าหินในขณะที่ตัวเขาเองยังยืนอยู่ตรงหน้าคริสจับถ้วยเหล้าอีกครั้งแล้วยกให้เขา for you lucky man แล้วก็ยกขึ้นดื่มอีกจนหมดระวังจะเมา ผมเห็นคุณดื่มกว่า 3-4 ถสี่ถ้วยติดติดกันแล้วขอบคุณอีกครั้งที่เป็นห่วงวายฉันขอเรียกเล่าของที่นี่ว่าวายรสชาติวิเศษมากเหนือกว่าวายทุกผลทุกแห่งในโลกนี้ที่ฉันเคยดื่มมาแล้วเล่นไก่ของหล่อนชักจะสั้นขณะนั้นนางพนักงานบริการได้ถือถาดบรรจุถ้วยเมไรผ่านมาอีกคกริสกระดิกนิวเรียกทำท่าจะคว้าขึ้นมาอีกถ้วย แต่รพินจับมือไว้เสียก่อนแล้วหันไปพยักหน้าเป็นความหมายกับนางพนักงานรูปงามคนนั้นให้เดินผ่านไปเลยสีหน้าของเขาขรึมเยือกเย็นดวงตาอ่อนโยนการุนผมขอร้องขอให้คุณหยุดดื่มเพียงแค่นี้เถอะตกลงถึงอย่างไรฉันก็ยังเคารพนับถือครูอยู่เหมือนเดิมครูรพินครูทำให้โลกกระทัดทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเปลี่ยนแปลงไปหมด เสียใจด้วยนะที่ต่อไปนี้ถ้าครูเกิดอาการเจ็บป่วยใดๆขึ้นอีกฉันคงหมดหน้าที่พยาบาลรักษาครูแล้วจอมพรานสั่นศรีรษะชา้าๆจับต้นแขนของหล่อนไว้บีบเบาๆแต่ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไรผมจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณหรอกจนกว่าจะถึงวันที่เราต้องจากกันคริสกมกลือนอะไรบางอย่างลงสู่ทรงอก วางจานอาหารลงข้างข้างกายโดยไม่แตะต้องเอามือทั้งสองประคองที่แก้มของตนเองบังคับเสียงไม่ให้สั่นเครือฉันเชื่อเชื่อว่าครูไม่ทอดทิ้งฉันในข้อนั้นแน่นอนและเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในตัวครูแต่ครูจะเชื่ออะไรฉันบ้างไหมอะไรแม่จะเพิ่งพบเห็นตัวจริงกันเป็นครั้งแรกฉันก็มีความ เคารพยำเกรงและรักนับถือสุภาพสตรีคนนั้นมากใครจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องเอ่ยนามของเธอออกมาอ๋อเขาเ พ, พึมพำออกมาพร้อมกับยิ้มให้อย่างปลุกปลอบและตัวคุณเองก็ขอได้โปรดมั่นใจเถิดว่าสุภาพสตรีผู้นั้นก็มีความรักความปรารถนาดีต่อคุณเช่นกันไม่เฉพาะต่อคุณเท่านั้นแต่ต่อทุกชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทีเดียว คริสค่อยๆลุกขึ้นยืนจ้องที่ดวงหน้าของเขาแล้วว่าความจริงครูไม่ใช่ผู้ชายที่รูปหลองวดงามอะไรเลยนะชายที่งามหมดจดที่สุดที่ฉันคิดว่าในโลกนี้ถ้ามีการประกวดชายงามก็คงจะได้แก่เขาคนนั้นขณะนี้ประทรับอยู่โน่นคิงจั ก, กรราชทำไมทำไมเธอไม่รักเขา ฉันคิดว่าเขาเพียรพร้อมทุกอย่างกว่าครูซะอีกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมแน่ใจและสามารถบอกกับทุกคนได้แล้วอย่างภาคภูมิใจว่าเธอรักผมส่วนผมนั้นรักเธอมานานแล้วตั้งแต่แรกพบทีเดียวเป็นความรักของหมาวัดที่แงนมมองดูดอกฟ้าอย่างไรอย่างนั้นและผมก็ดีใจที่คุณก็รักเธอด้วยครูทราบไหมคะ หลนชะ ง, งักไปแค่นั้นต่อประโยคให้จบอย่าค้างไว้ว่าฉันเข้าใจเช่นนั้นว่าเธอมีความระแวงแคลงใจในตัวฉันอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพียงแต่เธอไม่ถือสาและพร้อมที่จะอภัยให้เท่านั้นรู้ยังไงผู้หญิงต่อผู้หญิงเราอ่านสายตากันออกเธอแสดงท่าทีอะไรให้คุณเห็นเช่นนั้นหรือไม่เธอไม่โง่หรือตื้นถึงเพียงนั้นหรอก เธอฉลาดมากเพราะเธอรักคุณอย่างแท้จริงรักจนไม่อยากจะพูดหรือแสดงอะไรให้คุณสะเทือนใจวันไวและไม่ลามปามไปยังบุคคลอื่นด้วยข้อนี้แหละที่ฉันเกรงน้ำใจเธอมากก็อย่างที่จักรราศสงรับสั่งไว้กับคุณแล้วในถ้าตอนที่เราพบกันบ่ายนี้ว่าโดยแท้ที่จริงแล้วคุณมีท่าแท้ในตัวเองที่ดีงามอยู่มากทีเดียว และมันก็ได้แสดงออกมาให้ปรากฏเห็นเด่นชัดขึ้นทุกวันตามการเวลาที่ผ่านไปหล่อนหลบตาลงต่ำพระองค์ทรงเปรียบเหมือนเทพเจ้าที่ทรงล่วงรู้อะไรไปหมดทุกอย่างรู้จนชั้นชั้นกระดาษอายพระองค์แทบจะแทรกแผ่นดินทีเดียวอดีตคืออดีตเราตั้งเข็มต่อไปในอนาคตข้างหน้าดีกว่าคริสพระองค์ทรงยอมรับคุณเป็นสิทธิ์แล้ว คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากพระองค์อีกมากทีเดียวในฐานะที่คุณเองก็เป็นคนฉลาดอยู่ก่อนแล้วและพระองค์ก็ทรงพระเมตตาต่อคุณมากเท่าที่ผมสังเกตเห็นฉันดีใจที่คุณนำมาถึงแผ่นดินนี้ดีใจที่ฉันได้พบเห็นคู่รักและคณะเจ้านายเก่าของคุณทุกคนซึ่งก็ล้วนแต่เป็นคนดีทั้งสิน้นและเมื่อพบเห็นคนเหล่านี้แล้วฉันก็ยิ่งคิดยิ่งเห็นว่า ตัวชันนี่มันช่างเลวแสนเลวเสียงของหล่อนเกือบจะเป็นเสียงสะอื้นเบือนหน้าไปทางอื่นรพินตบไหลหล่อนด้วยฝ่ามืออันนุ่มอ่อนโยนในสัมผัสแล้วบีบกระชับอย่าตำหนิตัวเองเช่นนั้นคริสคุณไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยในฐานะเจ้านายคุณเอาใจใส่ต่อลูกน้องมากที่สุดในฐานะเพื่อนคุณไม่เคยทิ้งเพื่อนในหน้าที่การงาน คุณไม่เคยละเลยและในฐานะสิทธิจะไม่มีครูคนไหนที่ลืมสิทธิคนนี้ได้จาไว้อ๋อคุณเชิดวุฒเดินเข้ามาพอดีเหมือนจะเป็นการรอช่วงระยะเวลาจังหวะอยู่เชิดวุฒเดินผ่านมาและหยุดชะงักทักทายเมื่อได้ยินเสียงเรียกของรพินเขาเบนเข้ามาหาคริสมันหลบอยู่ที่นี่เอง จักรราดและราชนีทรงรับสั่งถามหาอยู่เราเข้าไปฝ้อพระองค์กันเถอะทรงมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างจะเล่าให้ฟังขณะที่เครื่องมาตกอยู่ที่นี่รบพินจับมือคริสส่งไปให้เชิดวุฒิแล้วบอกน้ำเสียงนุ่มเป็นครั้งแรกว่าช่วยพาคริสไปรวมกลุ่มกับพวกเราหน่อยเถอครับคุณวุฒิ ประเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปสมทบด้วยขอเวลาได้พบปะสนทนากับพวกมุขมนตรีของมรกรณครพวกนี้หน่อยทุกคนล้วนรู้จักมาคุ้นกับผมมาก่อนทั้งสิน้นและตั้งแต่มาถึงผมก็ยังไม่มีเวลาจะได้พูดจาวิสาสะอะไรกับพวกเขานักเขากำลังรอคอยผมกันอยู่ทางโน้นคริสตินาวางสีหน้าให้เป็นปกติโดยเร็วจับมือเชิดวุฒไว้บีบแนงกระชับและบอกว่าจุงชันไปให้ดีนะวุฒ ทำไมจะต้องจูงด้วยละ่ะฉันกำลังเมาพื้นมันดูเหมือนจะโครงเคลงไปหมดเชิญวุดโอบประคองไหล่คริสไว้แน่นแล้วนำเดินไปอย่างช้าๆในขณะที่หล่อนซบหน้าลงกับไหล่ของเขาวุดหลอนแผวเสียงริมหูเขาอื้มคุณยังรักฉันอยู่หรือเปล่ารักหรือไม่รักบอกไม่ได้แต่ถ้าคุณยอมแต่งงานกับผมผมจะมีความสุขที่สุดในโลก คุณแน่ใจหรือแน่ใจที่สุดเปลี่ยนใจเสียใหม่เถิดที่รักอ้าวรอดตายกลับไปคราวนี้และภายหลังได้รับนิรโทษกรรมจากหน่วยเหนือแล้วฉันจะบวชอุทิตตัวให้แก่พระผู้เป็นเจ้าระยะเวลาระหว่างนี้ฉันจะขอศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและหลักธรรมกับองค์จักรราชสักระยะหนึ่งพอเป็นแนวทางไว้ก่อน โปรดอย่าได้สนใจกับฉันในด้านนี้อีกเลยนะที่รักตอนนี้ฉันตายด้านหมดแล้วในทางโลกคริสเชิญวุธอุทานออกมาอย่างตกใจและตัวเขาเองก็นิ่งเงียบไม่ได้กล่าวอะไรอีกเลยฟามือที่โอกประคองคริสตบเบาๆลงที่แขนของหลอนอย่างปลุกปลอบและแสดงความเข้าใจในสิ่งที่บอกนั้นแล้วก็นำหลอนเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับอีกหลายๆบุคคลที่รอคอยอยู่ก่อนแล้ว ลำคอและร่างกายของหล่อนยืดตรงเป็นสง่าอีกครั้งเมื่อเข้าไปแวดล้อมอยู่กลางหมู่พักพวกที่กำลังยืนเฝ้าองค์จั ก, กรราชอยู่เขาหน้าถูกบังคับให้กลับมาสู่ปกติสภาพแม้จะมีอาการงนเงินบ้างเล็กน้อยก็ฝืนไว้โดยมีเชิดวุธยืนชิดไหลคอยระมัดระวังใกล้ชิดดารินลอบสังเกตอาการกิริยาของแม่อเมริกันผมทองอยู่ก่อนแล้ว เดินอ้อมพระจากการยืนอยู่ในกลุ่มของสแตนลีย์และคีธเข้ามาช่วยประคับประคองคริสไวท์ทางด้านขวาอีกคนหนึ่งกระซิบที่รักรู้สึกว่าเธอจะมีอาการไม่ดีนักเป็นอะไรไปหรือเปล่าคริสคริสตีหน้ายิ้มเอาแขนโอบเอลดารินข้องข้างแน่นเธอเป็นแพทย์น้อยและฉันเองก็แพทย์เหมือนกันผิดกันเพียงว่าฉันถูกยึดใบประกอบโรคศิลห้าไม่ให้รักษาใครในทางวิชาชีพเท่านั้น เพราะฉะนั้นฉันรู้ตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรบางทีอาจเป็นเพราะดื่มมากเกินไปหน่อยก็ได้แต่ตอนนี้คิดว่าเป็นปกติแล้วและมันเป็นคืนที่ฉันคิดว่าฉันมีความสุขที่สุดเท่าเท่ากับเธอเหมือนกันเท่าเท่ากับฉันในข้อไหนเราสำเร็จผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงละ่ะเธอตามมาจนพบชายคนที่เธอรักเขาและเขาก็รักเธอ ส่วนฉันปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่สำเร็จผลค้นพบตำแหน่งตกของเครื่องได้แน่นอนลงไปแล้วทั้งทั้งที่ไม่คิดและไม่เคยหวังอีกเลยภายหลังจากเดินทางมาได้ครึ่งทางเราได้พบสิ่งอันเป็นยอดปรารถนาด้วยกันแล้วเธอพยายามจะกลบเกลื่อนปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ในหัวใจของเธอนะและฉันจะกลบมันไว้เช่นนี้ตลอดไปให้สนิท ตลอดทั้งชีวิตของฉันทีเดียวประโยคนั้นของคริสเป็นการกระซิบที่แผ่วเบาที่สุดแล้วหัวเราออกมาเบาๆดารินโอบเอวตอบยิ้มให้อย่างปราณีจอริมฝีปากกระซิบริมหูของอีกฝ่ายหนึ่งว่าและฉันก็สัญญาว่าจะไม่รื้อคน้นสิ่งที่เธอพยายามกลบเกลื่อนขึ้นมาอีกเลยขอให้สัญญาขอบคุณเธอมีน้ำใจที่เป็นนักกีฬามากที่สุด ฉันไม่เคยพบเห็นผู้หญิงคนไหนที่มีลักษณะอย่างเธอมาก่อนเลยเธอเองก็เป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดทั้งสองหญิงยืนเครียงกระซิบพูดซึ่งกันและกันโดยที่บุคคลอื่นๆซึ่งอยู่ใกล้รอบตัวในขณะนี้ไม่มีใครสนใจได้ยินเลยเพราะมัวสวนสันเป็นสุขสนทนากันอยู่ในเรื่องอื่นๆเธอได้ไปแล้วจงดูแลรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดนาน้ย เขาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเพื่อนมนุษย์ที่สุดสวรรค์ไม่ส่งคนชนิดนี้มาเกิดในโลกนี้บ่อยนักหรอกฉันภูมิใจที่เธอสามารถมองเห็นคุณค่าของเขาตัวฉันเองได้เพียรแสวงหาและทดสอบประเมินผลมานานแล้วแล้วคิงจักรราชที่ทรงสติปัญญาตลอดจนมีพระสิริลักษ์ราวกับเทพบุตรกรีองนี้ละ่ะ พระองค์เป็นตัวอย่างของบุรุษเพศที่ประเสริฐอีกคนหนึ่งเมื่อเปรียบกับเขาผู้นั้นของเธอละฉันอยากจะรู้ถึงข้อแตกต่างไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคริสแงาซายฉลาดลึกและเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถในทุกด้านของเชิงชายชาตรีแต่ผู้กองแท้ที่จริงแล้วก็คือครูของแงาซายอีกทีหนึ่งฉันสรุปให้เธอได้เพียงแค่นี้ ปริสตีน่าพยักหน้าลงนิดหนึ่งเอาละเพียงแค่นี้ฉันก็เข้าใจโดยตลอดแล้วน้อยขอให้ฉันได้ออกตัวไว้กับเธอก่อนเป็นการล่วงหน้าเราคงจะต้องอยู่ร่วมกันในมรกตนครแห่งนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเบลเป็นอเมริกันแท้เปิดเผยและไม่ค่อยจะรู้การละเทศะนักหากหลอนทำอะไรให้เป็นที่ขวางหูขวางตาของเธอก็โปรดอย่าได้ถือสาเลย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 แม่เพียงแค่เห็นจากรูปภาพเท่านั้นเธอสวยเกินไปคริสดารินพูดออกมาอย่างจริงใจ